ในใจมันไม่ได้ทําไม่ได้ดําเพนเป็นเนจเปนหน่วยฉะนั้นผู้ที่เห็นอาจเห็นทำในจิตในใจท่านจึงไม่ค่อยก่อสร้างไม่ค่อยทาการงานด้านอื่นตั้งหน้าตั้งตาดาเพนภาวานาโดยถ่ายเดียวก็มีความสุขอันเลิศแต่เสรแต่บางท่านบางคนมักจะเข้าใจว่าคนที่หลับหูหลับตาภาวานาไม่เป็นสารประโยชน์อะไรแก่โลกสื่อสร้างวัตถุ บทเจดีวิหารต่างๆไม่ได้เพราะชาวโลกจะได้ถึ่งพาอาศัยคนรุ่นใหม่รุ่นหลังจะได้เห็นเป็นตัวอย่างไม่เป็นอย่างนั้นความจริงถ้าสร้างจิตสร้างใจของเราได้ดีวิเศษพระพุทธเจ้าสร้างจิตสร้างใจของท่านได้ก็เป็นผลเป็นประโยชน์มากระทั่งทุกวันนี้ผู้ที่สร้างวัตถุในสมัยนั้นวัตถุผุพังเสียหายไปแล้ว แต่ส่วนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นจากการภาวนายังคงเส้นคงวาอยู่ผูกคนนิพพชานชนยังได้ศึกษายังได้ปฏิบัติตามนี่เลยชื่อว่าธรรมะภ า, ายในการสร้างจิตสร้างใจเป็นของสําคัญและมั่นยืนยิ่งกว่าวัตถุภายนอกเพราะนั้นเราทุกท่านจงอุตส่าห์พยายามสร้างกายสร้างใจทองตนเพราะเราเป็นนักบวชเป็นผู้ที่มีโชคดีจากฆราวาเขาแล้ว และในวัดในวาก็มีความสงบสงัดอยากจะปฏิบัติเดินจงกรมภาวนาในป่าในดงได้าตามสะดวกสบาย่มไม่มีพออาศัยเขาทาการงานภายนอกเขาอุตส่าห์พยายามจะทำจริงจริงจังจั ง, จงไม่อย่างนั้นก็ไม่าาพอปากพอท้องไม่อย่างนั้นก็ทุกข์ยากลำบากในครอบครัวของเขาไม่ค่อเลยหลับ ได้นอนในกลางวันจัดเท่าไร่ตั้งครืนก่ตั้งหน้าตั้งตาทําอีกจนดึกจนดื่นถึงขนั้นก็ยังไม่ร่ํารวยเียงพอในจิตในใจของเขาพวกเราท่านไม่มีธุระหน้าที่อะไรนอกจากจะเดินจยกมีความนา ก, กรราําหนดจิตกาหนดใจฉะนั้นจงตั้งหน้าตั้งาตาทากันอย่างยิ่งย่างจังอย่าให้เขากจ้าตู่ดูหมินมมาาน่นแบบจำมาฐานนักปฏิบัติ มีใจเล่นแต่เพินไม่เห็นแต่ท ำ, จ, ทำจิจกระทามใจไม่เห็นทำอะไรเป็นร่ำเป็นสันถ้าพวกเราท่านนะท่พาพยายามรักษาในตาน่างาต่างๆเอาจริงเอาจังจะถูกขอตันสิสินมิมนทาต่างๆนานาฉะนั้นพวกเราท่านทุกคนเวลานี้เป็นโอกาสดีร่างกายก็ไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บพอที่จะแต่ทาบำเพ็คุณงานความดีได้ ตามความมุ่งมา่นตาทะนาฉะนั้นจงตั้งหน้าตั้งตาจะ ท, ทําบําเพ็ญอย่ามาเล่นอย่ามาคุยกันอย่ามาคิดมาปลุงเรื่องของโลกเพราะเราบวชศีรษะของเราต่างคาราวะเขาเสื่องลูกเสื่องห่มของเราเป็นผ่าเหลืองผ่าตาสวรพเป็นธงไทยของทระรหันต์อาหารไม่ใช่จของเล่นนักบวใชในใ่นักเล่นนักบวชม่ใช่นักคุยนักบวชม่ใช่นักเหียด้าน นักบวชเป็นผู้ทาจริงนักบวชเป็นผู้ปฏิบัติจริงจึงจะได้เฉื่อยนักบวชนักภาวนาจริงจะได้เื่อยสมณะคือมีความสงกบกาสงบวาจาสงบใจจาเสี่เหล่องัญหามานะชิดขีต่างๆจึงจะเป็นที่บูชาตะการ ะ, าะจากชาวโลกเขาตลอดถึงเทวโลกจุยินพรมยมยักษต่างๆเศษของเราก็เสริฐดีเสียษอย่างนั้นโอกาสของเราดีอย่างนั้น อย่านอนครับติดใส่ชากันที่นิ่พิจรารณาต่างหนาต่างๆพยายามรักษากายวาจาให้มั่นคงเข้าไปผู้ที่จะกําหนดลมหายใจหรือบริกรรมคอยกําหนดกันจริงๆจังๆผู้ที่มีความสงบแล้วคอให้มั่นที่นิ่พิจรารณาใจรับเข้ามากๆพิจารณากายให้แยกค า, ายลงไปใจจะค่อยตอบคอยถอนจากความยึดมัน่นคือมัน่นจะมีความสุขความสงบ ความสบายจากการคิดการปรุงต่างๆนานาถึงตายไปในการใดสมัยใดเวลาใดไม่มเสียใจว่าเราเกิดมาเป็นโมคะไม่มีตาระประโยชน์เพราะเอาแดกขวบโกยคุณงามความดีทำศีลสมาธิปัญญาวิชารีมุตให้เกิดขึ้นในตัวของเราแล้วตายไปเมื่อใดแต่อย่างตายไปอย่างยิ้มยมย้นแนจ่มใสในมีการเสียจิตเสียใจเราเกิดมาทั้งชาต ไม่ได้ใครทำมันเป็นอะไรคุณงานความดีได้กอบป่ยเอาเป็นที่เป็นฐานอย่างนี้แล้วเรมีความสุขอยู่เราก็มีความสุขตายล้วก็มีความสุขคนเราปรารถนาความสุขย้ายได้ความสุขแต่ไม่ตกยึดปฏิบัติใช่จิตให้ใจได้รับความสุขจึงเกิดความเดือดร้อนมุ่นวายเพราะกิเลสปัญหาโกรกโกรหลงเข้าเขาจิตเข้าใจอยู่ทุกวันทุกเวลาหาความเยือกเย็นเป็นธรรมนิดหน่อยไม่ได้ นักบวชแบบนั้นเป็นนักบวชที่เสียเาสุกตาตายของเขาแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนเมื่อได้ระดับรัชทังโอวัตที่แนี้สอนไปนี้จงนำไปที่นิพพานและตั้งหน้าต่างตา็ตอพึ่งปฏิบัติตามต่อแต่นั้นก็จะมีความสุขความเจริญงดงามไทบูุ์ในพระพุทธศาสนาต้ทิพย์บายธรรมะก็เห็นว่าเอต้องควรใีเวลาทีาาวพวกเรา เป็นนักปฏิบัติและนักบวชคำว่านักมีความหมายแค่ไหนไภค่ากั น, นที่วิทยาลัาดูนักเรียนก็ต้องมีความรู้ในการศึกษาของเขานักมวยเขาก็รต้องเป็นนักพนักต่อยนักรอล เขาไปรู้จักดีทีหลบดีทีลุกขึ้นชื่อว่านักจึงเป็นของสําคัญเหตุนั้นพวกเราซึ่งเป็นนักบวชก็คือนักเล่นตั่วบําเพ็ญดียิ่งเป็นนักปฏิบัติก็ยิ่งเดินขึ้นไปสา น, นักบวชธรรมดาเพราะนักบวชธรรมดา ที่ว่าในใจนักปฏิบัติเขาเพียงรักษาทาดีในตามตาราที่เขาศึกษาไม่ได้สนใจที่จะแก้ไขด้านจิตใจของตนเพื่อความพ้นไปจากกิเลสนี่แต่มุ่งหน้ามุ่งตาศึกษาตามหลักนิพพานนั้นส่วนการปฏิบัติไม่ค่อยใส่ฝันถึง รวพวกเราทั้งในชื่อว่านักบวชและนักปฏิบัติจะต้องีนิจรนารณาคำว่า น, นักของตอนอย่าเป็นคนงมงายเพราะคำว่านะกจะเป็นนักตลอนนักเลงนักเรียนนักลบก็ย่อมมีความหมายว่านนักบวชนักปฏิบัติก็ให้มีความหมาย ว่าเราตั้งใจปฏิบัติกันแค่ไหนวันหนึ่งหนึ่งเราตั้งใจเดินจงกรมหนังภ า, าวนาปันจีเชื่อมงหรือความรู้ความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติท่องตนเป็นอย่างไรให้พากันที่นิสิตจริาส่วนนี้ให้มื่อไม่อย่างนั้นจะเสียธรรมทิว่านักไป นักบวชนักปฏิบัติเป็นนักสำคัญสำคัญอย่างไรก็เคือสำคัญมีจิตใจสูงก่าคนธรร ม, มดากปกติจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้อบรมศึกษาไม่ได้ต่้งหน้าปฏิบัติจะต้องปล่อยไปตามเรื่องของมันอารมอะไรที่มาผ่าน ก็จะต้องติดตามเรื่อยไปนั่นคือคนธรรมดาไม่ได้ศึกษาหรือไม่ได้สร้างรวมด้านจิตใจทำเรีนยนในหรือนักปฏิบัติจะต้องศึกษาทางหูทางตาทางจิตทางใจขันจริงว่าให้มีอินทรีย์ตั้งวรการตั้งวร อ, อินทรีย์เป็นศีลที่จะทำจิตทาใจของคนให้สงบ เงียบลายเป็นสมาชิกได้ส่วนไม่ต้องวอนินสีสีนธรรมดาจะรักษาไปสี่สิ ส, ส, สี่เดือนสีบวันสี่คืนต่อต่างสมาชิก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเรื่องสีธรรมดาไม่เคยนำพาให้เกิดสมาชิกเคยมีนักบวชตั้งสิบพรรษายี่สิบพรรษาได้สี่บห้าสิบพรรษาต่อต่างข้าหาก ไม่มีการระวังสังวร อ, อินทรีย์แล้วนักบวชเหล่านั้นจะไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของสมาธิคือกานสงบลงรวมของใจจะต้องอยู่ไปตามเรื่องประปนั่นคือนักบวชธรรมดาใมใด้สี่ว่านักปฏิบัติส่วนพวกเราเป็นนักปฏิบัติเรื่องต้นเราจะต้องปฏิบัติขินขีนของตนให้บริสุทธิ์ขินชายนอกตามหลักของชายใน เราก็ตัางใจสังวรรักษาการติดขาบทวิในยที่ท่านหมไว้ไม่ล่วงเกินแต่ทำไปดโดยขาดมืโอดต ะ, ปะส่วนศีนภายในคือการสังวรจิตสังบร ใ, ใจของตนก็อให้คากันระวังสังวร อ, อย่างเต็มที่เพราะจิตใจของเราซึ่งไม่เกี่ยวกับพระวิเนยย่อมมีอารมณ์เกิดขึ้น ทุกวันทุกคืนอารมณ์นั้นเป็นไปฝ่ายโลกก็มีเป็นไปฝ่ายธรรมก็มีเป็นไปฝ่ายดีก็มีเป็นไปฝ่ายชั่วก็มีเหตุนั้นเมื่อเราไม่มีสติที่นิจพิจารณายา่อไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ฝ่ายชั่ ว, ว, ร EN รวหรือเป็นอารมณ์ฝ่ายดีเมื่อเราไม่คอยใจเรื่องของอารมณ์หรือเราไม่มีสติมีปัญญาที่นิจพิจารณาว่าส่วนนั้นชั่วหรือส่วนนี้ดีการพิจารี ดียังจากอารมณ์ทั่วเราก็ะหรียังไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักว่าอารมณ์ส่วนนั้นจะทําจิตทำใจของเราให้มัวหมองส่วนที่ดีเล่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะติดตามหรือที่ไม่ทิ่จะรายงานทำความดีให้กาหน้าไปได้ด้วยอํานาจที่ว่าเราไม่รู้จักฝ่าอันนี้ดีอันนั้นชั่วเหมือน ก, นกันกับคนที่ไม่รู้จักทองว่าเป็นทองเจ๋หรือทองนิ่ง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 มาเข้าเทอรจิตใจย่อมมีความส่องใสและเยือกเย็นนี่เป็นฝ่ายอารมณ์ที่ดีเมื่อเราส่วนที่ชั่วควรละพอมันเกิดขึ้นหรือพอมันผ่านมาเราไม่เปิดประตูรับถ้าเป็นอารมณ์เข้ามาจากข้างนอกส่วนอารมณ์เกิดขึ้นทางในเราก็รีบดับมันเสียอย่าไปคิดไปนึกมันส่วนอารมณ์ที่ดีเราเกิดขึ้นเราก็ส่องพินิจพิจารณาม่เกิดขึ้นเราก็พยายาม ให้มันเกิดขึ้นอารมณ์จึงเป็นของสำคัญเรืองของการปฏิบัติหาไปรู้เรื่องของอารมณ์แล้วจะปฏิบัติไปเท่าไรจิตใจจะมัวหมองหรือป่องใสก็ไม่เข้า อ, อกเข้าใจเพราะเหตุใจเพราะขาดสติเพราะขาดปัญญาเหตุนั้นพวกวทีนักขาดการสั้งมวนระวังจึงมักอยากจะรู้ว่าวันนี้จิตใจของเรารุ่มร้อง วันนี้จิตใจของเรามัวหมองจะไในรู้เหตุว่าจิต ท, ท, ที่จะเกิดความรู้สึกร้อนใมัวหมองขึ้นมาเพราะเราไปคิดวิพิจารณาหรือสื่อเรื่องอารมณ์อะไรเราไม่เด็ดคิดนิพิจารณาคอยคิดข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแน่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างยอนเกิดขึ้นจากเหตุเหตุเป็นผู้ผิดผลขึ้นมาไม่ว่าอะไรทั้งหมดหากไปมีเหตุ แล้วเรื่องของฝนย่อมเกิดขึ้นในบ้านจิตใจที่จะได้รับความรุมร้อนมัวหมองก็เพราะเหตุที่ชั่วที่เราไปคิดไปกลุงจิตใจมันจึงเกิดความรุนร้อนมัวหมองขึ้นมาหากเรได้ไปคิดติดตามเรื่องชั่วก็เลยความมัวหมองหรือรุนร้อนของใจย่อมไม่มีเหมือนกันกับคนที่ในไปแกะต้องเรื่องของไฟมันย่อมใหม่ๆในเขาคนที่ไปเหยียบไฟหรือไปแกะต้องไฟ แต่ไม่รู้จักบ่าวไฟคนนั้นแหละจะได้รับคาวามเดาร้อนแก่ตรงข้อ ง, งส่งชั้นใดเรี่ยงจิตใจของเราท่าหาไปรู้จักในมีสมติไม่มีปัญญาก็เหมือนกันฉะนั้นเศษนั้นเขาพุทธเจ้าจึงแนะนํารรมสอนกวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติให้ท่ากันมีอินทรีย์สังส้งวรคือสังวรตาสั้งวรหูสั้งวรจมูกสลินตายใจข้องตนจึ่งอยากว่าอินทรีสัง้งวนตาหมืห่นโอ้ ปกติรูปมันมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่หากเราไม่ไที่นี่ที่เจรนาหร้อไมเราไ ม, าม่ตั้งบอลถ้ารูปชั่วเราอาจจะเกิดความเสียดสังรูปเหมือนเช่นรูปดีเราเราจะเกิดความกำหนัดยินดีนอยากได้ขึ้นมาเมื่อมันเช่นเชนนั้นมันจะต้องเข้าใจของเรารูปทั่วก็ทาให้ใจิตใจของเราเราร้อเพราะความไม่ต่งตางๆเพราะความไม่อยากเห็น รูปดีเล่าขอทำในใจของเราหลากหลายยินดีให้ไปในทางตามอารมณ์ต่างๆ่าพระพุทธเจ้ายึดเนะสอนนักปฏิบัติให้ทีมิตรที่จเจริแนาให้จังหวลตาของสนรูปก็ให้ตัดแต่ลรูปเพื่อไม่ให้ไปยินดียินลายใช้ที่จเจริญนาใช่ปะรูปจยากเนรูปอยากรูปกลางกลงให้รูปละเอียดตวาตามรูปเหล่านั้นจะต้อง มีความแหปลป่วนในเบื้องต้นแล้วจะต่งแตกสลายไปในที่สุดของมันในลูกหญิงหรือลูกชา ย, ย่อมเป็นอย่างนั้นลูกคนนี้ภูเขาก็เหมือนกันเมื่อเรารู้เรื่องของลูกว่าเป็นสักแต่ละลูกในเคยมาทาคำความยุ่งเหยิงกับจิตกับใจของบุคคลผู้ใดที่ยุ่งเหยิงก็คือจิตใจของเราไปเกี่ยวเกาะตัวคันกับลูกแบบ น, นั้น เม่อเราเข้าใจอย่างนี้เห็นลูกโดยในตาของเราไปตรวอบพุทธเจ้าก็ให้พิณพิจารณาเลี่ยงไกลรักให้ไปจกักษ์ขึ้นในใจเพื่อจะแก้ไขความรุ่มหลงของลูกดังนั้นไม่ให้มาปัวนพันด้วยติดข้องในใจของตนเสียงต่เหมือนกันเสี ย, ยงไม่ช่วยขาดจากโลกโลกอันนี้มีอยู่เมื่อไรเสี ย, ยงก็รเจคชัมีอยู่อย่างนั้น ยสงดีมันก็มีอยู่ในโลกอันนี้เสียงชั่วก็เมือนกันมีอยู่ในโลกอันนี้หากเราไม่ที่นิชิตจะแด้ในเพื่อแก้ไขจิตใจของเราแล้วจะไม่มีวันมีเวลาที่จะได้รับความสงบสบายไปได้เพราะชั่วกว่จะมาจิตว่าใจของเราดีกวาจะมาทำจิตใจของเราให้ยากหน้ามัวเมาเฝ้าฝันเกิดนั้นองค์ต้นเดชจรขันตมาสัมพุติเจ้าของเราขันจึงแนะนําผ่านสอนผวกนักปฏิบัติ ซึ่งชื่อว่านนะัจะต้องต่อสู้ในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรขโผทะทะและทำมาลมซึ่งมีอยู่ในไตโรโลกอันนี้และมีอยู่ในจิตในใจของตนให้รู้จักเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรขโผทะทะและทำมาลมตามเป็นจริงของเขาหาไม่อย่างนั้นเราจะต้องได้รับความ เรารอนอยู่ทุกการทุกเวลาเพราะเราอยู่ในโลกจิตใจเมื่อ้าไม่มีการทั้งวอรละวางจะต้องได้รับความลำบากเพราะความในรู้เรื่องสมุิฐานของมันว่าอันนี้จะจิตผลดีให้หรือจะจิตผลชั่วให้แก่ตัวจิตเรืองต้นคือเรายังไม่เคยสึกผลอบรมในทางปฏิบัติเหมือนกันกับเด็กธรรมดาเด็กทางหา ที่เลงหรือพ่อแม่ไม่ดูแลจะต้องมีอันตรายมากเพราะเด็กยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นอันตรายแก่ตนเยอะไปตกแน้ำเยอะไปถูกไฟไม่เขาเพราะเขาไม่ยังไม่รู้จักว่าไฟมันเป็นไฟอย่างไรนะมันทํำไฟให้แะควรตื่นรู้จักอย่างไรในเมื่อเขาไหว้นะไม่เป็นเพราะเหตุนั้นเราถึงเคยได้ยินเด็กตกแล้ำตายอยู่บ่อยเช่นกล้วใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้น ไฟมันมีอยู่ในโลกนะมันมีอยู่ในโลกกว่าจสิแต่ตู้ใหญ่นําเอาไฟแล้ะน้ําเหล่านั้นไม่ใช้เป็นสารประโยชน์ในกอดผัวอยู่ในชีวิตของเขาส่วนเด็กมันนํามาเผาเมันนะไหมมันหรือไปตกแน้ำก็ว่ายไปเป็นอายจาแน้ำนี่แหละเรื่องของเด็กเป็นอย่างนั้นการต่อทฤษปฏิบัติทางจิตทางใจก็เหมือนกันเด่นสนที่เราฝึกฝนทรมานอบรมใหม่ใม่ เราก็จะต้องอาศัยตํำรับตําราอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำพัมสอนและอาศัยตนของตนฝึกฝนสังเกตความเป็นไปเของจิตข้าใจว่าทําอย่างไรจิตใจของเราจึงได้รับความสงบเย็นเยินลงไปทำอย่างไรจิตใจของเราจึงร้อนเผาตัวเองเมื่อเราตื่นที่นิตทิจไรนารู้เรื่องของจิตของใจ ได้แน่นอนลงไปว่าเหตุ <c oughs> ที่เราเลือกคิดจิตตามอย่างนี้จิตใจของเราจึงเลยเร่าร้องหรือมัวหมองเราก็ะึื้นละ เ, เว้นด้หรือเบี่ยงเรื่องของความทั่วเหล่านั้นหรืออารมณ์หนึ่งนั้นให้หายไปนะเห็นเกิดให้เป็นสิ่งจากภายนอกหรือจากใจของคนหากเราไม่รู้เปิดประตูให้ความทั่ว เขามาอยู่ทุกวันทุ่เวลาของดีมีแค่าจึงมีอยู่ในจิตานใจของเราจะต้องจิตหายไปหมดเหมือนกันคือเราเปิดประตูให้โจรเขาเข้ามาบ้านของเราเราไม่รู้แน่รู้ตาว่าคนคนนี้จะควรให้เขา้าหรือไม่หรือคนพวกนี้จะควรให้เข้าหรือไม่เราไม่รู้จากปาบเขาเป็นโจรเป็นขโมยก็เลิเปิดประตูให้มันเข้าไป เมื่อมันเข้าไปแล้วสินของที่มีค่าราคามันจะต้อเก็บซ่อนหรือสมวยเอาหมดหรือไม่อย่างนั้นมันจะซักชวนกันมาต้นเห็นข่าของเงินทองของเราหมากักไม้ใส่กล่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของโจรชั้นใดเรื่องจิตใจที่ในรู้จักทางขั้วกวาเมืองกันขันจึงให้พากันสอบด้วยปัญญาของโนรให้มีสติเป็นนายปรตูนายนามรักษาการปลดจาร ทุกอย่างหรือการทำทุกอย่างการคิดทุกอย่างหากมีสติเป็นผู้ประทับประครองรักษาเรื่องผุดชาออกไปจะเป็นใครอันตรายอย่างไรแก่็นข่องสนจะเป็นผลเป็นประโยชน์อย่างไรแก่ท่านผู้ฟังช่งที่นีสิตเจรนาเสียก่อนคนที่ที่นิสิตเจรนาเสียก่อนนั่นแหละจะไม่เดือดร้อนในท้ายหลังเพราะเหตุว่าเราที่เจรนา แนนอนแล้วจึงคอยปวดไปจึงคอยทาไปหร้อจึงคอยคิดไปคาหาขาการยับยั้งที่นี้พิจารณาแล้วคนนั้นจะต้องเสียเพราะความหม่ยแบบนี้พิจนะ <c oughs> ารณาการเปิดประตูชั่วให้เข้ามาในใจของตนเป็นอย่างนั้นเป็นทางที่จะทำใจของตนให้เศร้าหมองนรือเหล่าร้อน เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงแหมในการเปิดประตูชั่วประตูชั่วทันทีจิตประตูทางดีที่จะเปิดจ็ดสิบมงคลแก่ตนหรือเกิดสติปัญญายที่จะนําตนคงตนให้สร้างหน่าไปสู่ความสงบหรือความหุน้นพ้นจากวเลยพระพุทธเจ้าให้เปิดมีพวกเราหนักปฏิบัติถ้าไม่รู้เรื่องเหล่านี้ย่อมปิดทั่วไว้ไม่ได้ และเปิดรับดีในบ่าเศรษนั้นจึงพากันตั้งวรระวังเรื่องความทั่วและเกิดประตูรับความดีทั่วไปความดีที่จะเกิดขึ้นได้ก็ไม่ยใส่บุคคลผู้อืน่นผู้ใดที่จะนำความดีมาให้เราเองเป็นบุคคลความดีเป็นให้ตัวของเราส่วนคนอื่ น, นเรื่องพลอยได้เป็นทกันเลยเสริมเยนยอของเขาลว่าคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ดีอย่างก็เพราะตัวของเราทําดี คนอื si e ่นเขาจริงลอยสัน so, ักเสริญตามทำงานเราทันช so ั่วคนอื่นเขาตกลอยมุนทางตามเพราะเหตุนั้นต้นเหตุจึงเกิดขึ้นจากตัวของเราทุกสิ่งทุกประการใสอย่าไดปคอยใจว่าความชั่วอยู่ที่อื่นความดีอยู่ที่อื่นเมื่อคอยใจเราความดีอยู่ที่อื่นความช่วอยู่ที่อื่นจะต้องแสดงหาความดีความชัวฤทธละอยู่ที่อื่นบำเพ็ญอยู่ที่อื่นส่วนจิตใจของตนไหนเดี๋ยวนี้คือจะได้ไหมคนอย่างนั้น จะไปหาทวามดีตั้งแต่วันเกิดจนตลอด บ, บันตายจะไม่เจอความดีเพราะเห็นความดีอยู่สถานที่อื่นไม่เห็นความีเกิดขึ้นจากตัวของตัว